แต่เนื่องจากว่ามันพุทธจิตตัวนี้ไม่มีการอบรมบูมเพาะด้วยศรัทธาและด้วยความเพียรเป็นจึงเป็นพุทธที่เข้มแข็งไม่ได้เพราะนั้นไข่เนคือเชื่อแห่งพุทธแต่เมื่อมีการนำมาก ก, ก็ทำให้ตัวพุทธเนี่ยพัฒนาเป็นตัวพุทธพลเป็นโพธิขึ้นมานะตัวรู้ตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูก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 เป็นไข่อย่างกินได้เป็นตัวก็ไม่เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นไข่ก็ไม่ไข่เขาเลยมันแทงตายในไข่ในพวกที่ติดสงบนี้จะไปสู่ความสุข บ, บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้จะไปสู่โลกิยะอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ครึ่งๆกลางๆนพวกที่ติดสงบนี่นะคือจะลงไปเล่นกับไอ้โลกิยะวิสัยเต็มที่ก็ไม่อยากเช่นเพราะรู้แล้วแต่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไปไม่ได้เลยแทงอยู่ในไข่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 บอกว่าไม่แน่ว่าจะได้เกิดขึ้นมาเหนือน้ำาที่เป็นอาหารของเต่าและปลานะแต่ของเรานี่หมายถึงว่ามันมีโอกาสได้โผล่ขึ้นมากลางน้ำเสมอน้ำแล้วเหนือน้ำนั่นหมายความว่ามันถูกต้องแสงพระอาทิต์นะแต่ที่บัวที่ในคนตรงที่ไม่รับแสงึ้นอย่าังเสี่ยงอยู่ดังนั้นพุทธภาวะคือตัวรู้สึกตัวทุกคนมีนะทุกคนมีแม้แต่สัตว์มันก็มีนะ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 ในการพัฒนาวิพัสนาของตัวเองนะจะเขียมุตนาสาธุไว้ตรนีครับ